ไม่บังควรแก่ผู้สัธาชายและหญิงเมื่อล้อและรอสูนของพระองค์ได้กำหนดการใดแล้วสาหรับพวกเขา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 وتخش الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطر الزوجنكها ا لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج دعائهم إذا قضوا منهن وطر และจงจำเลือกถึงขณะที่เจ้าพูดกับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงให้ความโปรดปรานแก่เขาและเจ้าได้ความสงเคราะห์แก่เขาและจงรักษาภรรยาของเจ้าไว้ให้อยู่กับเจ้าและจงยังเกรงอัลลอฮ์และเจ้าได้ซ่อนไว้ในจิตใจของเจ้าเรื่องที่อัลลอฮ์จะทรงเปิดเผยมันและเจ้าเกรงกลัวมนุษย์แต่อัลลอฮ์นั้นทรงสมควรยิ่งกว่าที่เจ้าจะกลัวเกรงพระองค์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 ุุนนนลลลลาาาิฟดดีวมกคอรรู بل, ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่ท่านนาบีในสิ่งที่ลอทรงกำหนดให้แก่เขานี่คือแนวทางของลอที่ได้มีขึ้นแกบ่บรรดาผู้ที่ได้ล่วงลับไปก่อนและพระบัญชาของลอนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้ว อบรรดาหนาบีผู้ที่ได้เผยแพร่สารของอัลลอฮ์และพวกเขากลัวเกรงพระองค์และไม่กลัวเกรงผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์และพอเพียงแล้ว เทออัลลอฮ์เป็นผู้ชำระสอบสวนมุฮัมมัดไม่ได้เป็นบิดาผูดด้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้าแต่เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และเป็นศาสดาท่านสุดท้าย และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ك ك โอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ ม, กมาก และจงแท่สองสะดุดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามยพระองค์คือผู้ทรงประทานความเมตตาให้แก่พวกเจ้าและมาเลาย์กาของพระองค์ด้วยเพื่อพระรงคจะทรงนำพวกเจ้าออกจากความมืดสู่ความสวา่าง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 โอ้นบีเอ๋ยแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งขา่งขาวร้ายและเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮด้วยอนุมัติของพระองค์และเป็นดวงพระทีพอันแจ่มจรัส لَهُمْ และมูฮัมหมัดจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขาจะได้รับความโปรดปรานอันใหญ่หลวงจาก Allah และไม่ต้องให้ผู้กบฏและผู้ที่ต่อต้านและผู้ที่ละวิ้งและผู้ที่เชื่อใน Allah และผู้ทีลง และเจ้าจงอย่าเชื่อฟังพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับขลศและอย่าสนใจในการระรานของพวกเขาแต่จงมอบหมายความไว้วางใจแด่ ล, ลอทเถิดและเป็นการพอเพียงแล้วที่อลอทรงเป็นผู้ได้รับการมอบหมายยาาออลลลีนมมมมมุุุ อบันดาผู้สรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าได้สมรสกับหญิงผู้ศัทธา และพวกเจ้าได้ยาพวกเธอก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องตัวมีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอดังนั้นสำหรับพวกเจ้าไม่มีสิทธิที่จะให้พวกเธออยู่ในอิดดา น, นั้นฉะนั้นพวกเจ้าจงให้ผลประโยชน์แก่พวกเธอบ้างแล้วปล่อยพวกเธอจากไปโดยดี <S <S التي ا أتيت أزورهم وما ملكت يمينك مما وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 إن أرادا النبي أ ن يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ونبي <تصفيق> أي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 ت ر ج م من ت ش ا ء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ممن وتؤوي تشاء ابتغيت إليك ع ز ت ي ق راشد ح วลาย ولا يحزن ويضين ب อ ا أتيتهن ك ل ุ ن والله يعلم ما في قلوبكم وكان อ ل ال ال ل ه عليما حليما เจ้ามีสิทธิที่จะยาผู้ที่เจ้าปรารถนาในหมู่พวกเธอและเจ้าจะรับผู้ที่เจ้าประสงค์มาอยู่ร่วมกับเจ้าและผู้ใดที่เจ้าต้องการให้มาอยู่ร่วมจากผู้ที่เจ้าเคยแยกกันอยู่ ก็ไม่เป็นที่ตำหนิแก่เจ้านั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะทำให้ในตาของพวกนางรื่นรมและไม่ทำให้พวกนางเศร้าโศกและพวกนางพอใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้แก่พวกนางทั้งหมดแล้วล้วอทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าและปรากฏว่าลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงขันติ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 ถึงแม้ว่าความสวยของพวกนางจะทำให้เจ้าพอใจก็าตามนอกจากสิ่งที่มือขวาของเจ้าครอบครองแล้วล้อนั้นเป็นผู้เฝ้ามองทุกสิ่งยอออออลบค ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم ف ا ن ت ش ر و ا ولا م س ت أ ن س ي ن لحديث إن ذلكم كان يؤذ ي النبي فيستحيكم ي ن والله لا يستحي من ا ل ح ق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِحِ جَابٍ ذ َ ل ِ ك ُ م ْ أَطْهَرُ ل ِ ق ُ ل ُ و ب ِ ك ُ م ْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ อบดาผู้สถาทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้เข้าไปในบรรดา บ, บ้านของนบีเว้นแต่จะเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเพื่อรับประทานอาหารโดยไม่ต้องคอยการปรุงอาหารให้เสร็จเสียก่อน และเมื่อพวกเจ้าได้รับเชิญก็จงเข้าไปครั้นเมื่อพวกเจ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จงแยกย้ายกันออกไปและอย่าเป็นผู้ชอบวิสาสะในการสนทนาแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นที่รำคาญให้แก่ท่านนาบีซึ่งท่านจะละอายเกรงใจพวกเจ้าแต่แลราไม่ทรงละอายต่อความจริงและเมื่อพวกเจ้าขอสิ่งใดจากพวกนางก็จงขอพวกนางจากหลังม่านเช่นนั้นแหละ เป็นการบริสุทธิ์อย่างยิ่งแก่จิตใจของพวกเจ้าและจิตใจของพวกนางและไม่เป็นการบังควรแก่พวกเจ้าที่จะขอความรำคาญให้แก่ศาสนาทูตของอัลลอ์และพวกเจ้าจะต้องไม่แต่งงานกับบรรดาพระยาของท่านดะบีหลังจากท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้วเป็นอันขาดแท้จริงในการนั้นนะอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงนะั้น หากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งใดหรือปิดบังมันไว้แท้จริงอัลลอ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งลจิ ไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนาง เกียวกับวีดาของพวกนางและลูกๆของพวกนางและพี่น้องผู้ชายของพวกนางและลูกชายของพี่น้องชายของพวกนางและลูกชายของพี่น้องหญิงของพวกนางและบรรดาผู้หญิงของพวกนางและสิ่งที่มือขวาของพวกนางครอบครองและพวกนางยำเกรงต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะเทหูยุสลูน่าลันนบี ถ้าจริงอัลลอฮ์และมาลายกาของพระองค์จะทรงประสาทพรแก่ท่านนาบีโอบาดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงประสาทพรให้ท่านและกล่าวคำทักทายท่านโดยความนอบน้อม ا آ ا آ ถ้าจึงบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่อัลลอฮ์และรสซูลของพรุ่งอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกเขาทั้งในโลกนี้และประโลก และทรงเตรียมการลงโทษอันอัปยศไว้สำหรับพวกเขาแล้วและบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทาแน่นอนพวกเขาได้แบกภาระการกล่าวร้าย และบาปอันชัดแจ้งไวแล้วยาอเยฮ์อัลเบีกลลอ زواج ก์วะเบลัติก์วะลิสัอัลมุเอมินีนยุดลีนอะลีห์น์มิจลาบีบีห์น์ดลิก์อัจลาไอยูอักรฟน์ฟาลายูอัดีน์ว์คัลลอฮ์ัลลอฮ์ัลรี่อนบีเอย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 َئِنْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ وَالْمُرْجِفُونَ الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ يُجَاوِرُونَكَ ن ن لَمْ قُلُوبِهِمْ وا لَا إِلَّا قَلِيْلًا مَرَضُ بِهِمْ ثُمَّ فِي <ت ص> فِي فِيهَا แน่นอนถ้าพวกกลับกรอก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 วพวกเหล่านั้นถูกสาปแช่งไม่ว่าพวกเขาจะถูกพบณแห่งหนใดก็จะถูกจับกลุมและถูกสังหารโดยปราศ จ, จากความเมตตุนนนนลลลิลลลลลบจา นั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปก่อนแล้วและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางของอัลลอฮ์เลยผู้ ค, คนจะถามเจ้าเกี่ยวกับวันโลกอวาสาน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ณที่อรรถและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้บางทีวันโลกอาวสานนั้นอยู่ใกล้นี้เองถ้าจริงรอลรถทรงสาบแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและทรงเตรียมไฟที่ลุกโชดช่วงไว้สำหรับพวกเขาแล้ว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 วันที่ใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกพลิกกลับไปกลับมาในไฟนรกนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้ความระทมทุกข์ของเราหากเราได้เชื่อฟังอัลลอฮ์และเราได้เชื่อฟังรอซูลก็จะดีรอ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 โอ้พระผูบ้บานของเราได้โปรดลงโทษพวกเขาเป็นสองเท่าเถอะและทรงสาปแช่งพวกเขาให้หนักเถิด ي ى อบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ศประมาทมูซาแล้วเราก็ส่งให้เขาพ้นจากที่พวกเขากล่าวร้ายและเขาเป็นผู้ควรแก่ตำแหน่งอันสูงส่งณทนะี่อัล a h ยาเอเยฮัลลดีนอามมนุตตะล์ลลาฮวะกุลูกควลันซดีดะ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 และผู้ใดเชื no ่อฟังอ so ัลลอฮ์และรอสูลของพระองค์แน่นอนเขาย่อมได้รับความสำเร็จอันใหญ่ยิ่ง แท้จริงเราได้เสนออามานะการไว้เนื้อเชื่อใจแก่บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและขุนเขาทั้งหลายแต่พวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับเอาไว้และกลัวภาระอันหนักอึ้งแต่มนุษย์ได้รับภาระเอาไวแท้จริงมนุษย์เป็นผู้อธรรมงมงายยิ่ง ลลาาาาััออุุมมนนนนีววกเพื่ออัลลอฮจะได้ส่งลงโทษแก่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งพาคีชายและบรรดาผู้ตั้งพาคีหญิงและเพื่ออัลลอฮจะทรงอภัยโทษแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง และปรากฏว่าอาลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ